3.12 จุการแผ่เมตตาจะแผ่เมตตามันก็ต้องมีเมตตาเอาไว้แผ่ก่อนถ้าใจเรายังไม่มีเมตตามีแต่ความเร่าร้อนแผ่ออกไปก็แผ่น้ำร้อนออกไปแผ่ไอ้น้าเดือดๆ อ, ออกไปไม่มีประโยชน์อะไรหรอกฉะนั้นการแผ่เมตตาจิตใจต้องมีความรักก่อนมีความเมตตาเกิดขึ้นก็ต้องค่อยๆฝึกไปสิ่งที่เรารักมากที่สุดเลยเมตตามากที่สุดเลยคือตัวเองฉะนั้นเวลาแผ่เมตตานี่ ปกติเราจะแผ่เมตตาให้ตัวเองก่อนสงสารตัวเราเองเสับ้างเมตตาตัวเองบ้างแล้วก็คอยคิดลงไปมันเป็นเรื่องการคิดเอาขั้นแรกเป็นเรื่องการคิดเอาคิดว่านี่ก็สัตว์ตัวหนึ่งนะนี่ก็สัตว์อีกตัวหนึ่งนี่ก็สัตว์ตัวหนึ่งเหมือนกันมีความทุกข์เหมือนกันนะทำความรู้สึกเหมือนมันเป็นสัตว์ตัวหนึ่งเรามีความเมตตากับมันปรารถนาว่าให้มันพ้นจากทุกข์ให้มันมีความสุข คอยคิดในแง่ดีใส่สัตว์ตัวนี้มันจะช่วยถอดถอนความรู้สึกเป็นเราได้ด้วยแผ่ให้มันเหมือนกับเราเมตตาสัตว์ตัวหนึ่งแต่ตัวนี้รักพิเศษเสร็จแล้วพอจิตใจมันค่อยๆนุ่มนวลเพราะมันรักตัวนี้อยู่แล้วแผ่ง่ายความสุขความสงบจะแผ่ซ่านขึ้นมาจิตใจเราจะร่มเย็นมาจากข้างในจะมีความสุขความสงบแผ่ขึ้นมาพอจิตใจของเรามีความร่มเย็นเป็นสุขแล้วความสุขนี้มันจะล้นขึ้นมาสู่คนรอบๆตัวเรา ฉะนั้นเราแผ่เมตตาต่อไปเราก็แผ่ให้คนใกล้ตัวเราก่อนปรารถนาให้เขามีความสุขอย่างน้อยๆเราก็ต้องไม่ไปเบียดเบียนเขาด้วยไม่ใช่พูดแต่ปากแต่เราไปเบียดเบียนเขาต้องเกี่ยวกับความประพฤติของเราด้วยนะมีทั้งศีลธรรมครบอยู่ในตัวเองมีสติมีปัญญาช่วยอยู่ในที่เดียวกันพอจิตใจมันร่มเย็น คนรอบข้างมันจะร่มเย็นไปด้วยมีความสุขไปด้วยแต่ถ้าใจของเราเดือดโครมครามโครมครามนะคนข้างๆมันก็ร้อนไปด้วยไม่มีความสุขหรอกถ้าเราจะบอกขอให้คุณบางอ่อนมีความสุขเธอไม่มีความสุขหรอกแต่ถ้าใจของเรามีความสุขเข้าใกล้ใครคนนั้นก็มีความสุขแล้วค่อยนึกถึงคนที่ห่างออกไปเรื่อยๆคนที่ใกล้ชิดคนที่เรารักแผ่ให้พวกนี้ก่อน พอความเมตตาความอ่อนโยนของเรามากขึ้นมากขึ้นมันจะแผ่กว้างออกไปสุดท้ายมันจะเปลี่ยนจากเมตตาพรหมวิหารคือการแผ่เมตตาแบบเจาะจงคนไปสู่เมตตาอัปปมัญญาไม่มีขอบเขตเป็นเมตตาที่เสมอภาคกว้างขวางแต่อยู่ๆเราอยากไปเมตตาอย่างนั้นนะอยู่ๆเรานึกเอาเองเมตตาสัตว์ทั้งโลกเลยแล้วเราส่งพลังจิตของเราออกไปแต่ละทิศแต่ละทิศอย่างนั้นไม่ดีนะอย่างนั้นใจไม่ได้เมตตาจริงแต่ส่งพลังงานออกไป หลวงพ่อเคยนะมีคนหนึ่งแผ่เมตตาให้หลวงพ่อหลวงพ่อกําลังนั่งสบายๆอยู่ปึ๊กลงมาโอ๊ยยังกับใครเอาซุงมากระทุ้งเราดูอ๋อเขาแผ่เมตตาให้ฉะนั้นใจต้องมีเมตตาก่อนเหมือนเราทําทานก็ต้องมีวัตถุทานก่อนมีเงินมีของมีอะไรค่อยให้เขาได้ควรทําบ่อยๆทําแล้วมีความสุขแต่ต้องระวังนะเมตตากับราคะใกล้กันใกล้กันนิดเดียวมีพระองค์หนึ่งเจริญเมตตามากแล้วสติตามไม่ทัน เมตตามากๆราคามันย้อมเอา